แล้ววันนี้เป็นวันพิเศษกว่าทุกๆวันตามที่โลกสมมุติและเราก็สมมุติเป็นวันที่เราทรงศีลทรงธรรมเอาวัดจําศีลอุปมามันก็ว่าเรากําลังสวมเครื่องทรงเครื่องนุ่งห่มใหม่ๆเมื่อสวมเมื่อนุ่งใส่เครื่องห่มใหม่ๆก็อย่าพึงไปนั่งอะไรเพื่มันเปิดมันเปื้อน มันก็เราสอนลกูกสอนหลานเราเมื่อเราเขาเขามาอาบน้ำ <c oughs> แต่งเสื้อผ้าให้ชุดใหม่ <c oughs> แล้วก็แนะนำเขาอย่าให้เขาไปเกลียด ก, กลั้ขี้ฝุ่น <c oughs> <c oughs> ขณะที่เรามาสมทานสินนี้เขาเช่นกันก็เป็นของใหม่เครื่องประดับ อย่าไปคิดเรื่องที่มันไม่ดีอย่าไปคิดเรื่องที่มันผิดศีลผิดธรรมคนทรงศีลทรงธรรมนี่ไม่ต้องโกรธไม่ต้องทุกข์วันนี้ปันหนึ่งคืนหนึ่งนี่เราหัดไม่ทุกข์หัดไม่โกรธหัดไม่หลงปฏิเสธความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงอย่าไปคิดเรื่องอะไรที่จะทําให้จิตใจเศร้าหมอง เราคิดอะไรกันมาทำให้จิตใจสมองเดียวว่าเฟืเ่อเพืเ่อนเฟอเพืเ่อนทางกิจวิญญาณของเราเราจึงสำรวมระวังรักษาความบริสุทธิ์ความหมดจดของเราถ้าเรารักษาไม่ได้ตลอดไปอย่างน้อยก็วันหนึ่งคืนหนึ่งอาจจะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นทุนเป็นทุนที่จะเก็บหอมรอมริบเอาไว้ มันมีทุนพอที่จะ <c oughs> มีที่พึ่อพาใส่มันก็อา จ, จะต่อเติมได้ง่ายายิ่งอ จ, จะดีกว่าที่ไม่มีเลยเก็ดวันละมาปฏิบัติเพื่อกความบริสุทธิ์หมดจดของกิจวิญญาณของเราสักครั้งหนึ่งนี่มันก็ดีแล้วคนเราเกิดมาไม่เคยฝึกฝนตนเองเลยนะ่ังกร อภัพอ ก, กจนทางกิจวิญญาณว่ามไม่ทุ ก, กข์มันเป็นมรดกของกิจวิญญาณว่าไม่โกรธก็ไม่โลภก็ไม่หลงมันเป็นมรดกของกิจวิญญาณของเราสิ่งที่จะนําพาให้เราถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือหัดเดินไปนี่แหละเห็นเรามาเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเราอยาก ลู้จักของผู้ใดของท่านผู้ใดแล้วก็ทําตามท่านลองดูเราเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ทําตามพระพุทธเจ้าลองดูทำที่ทําให้ถึงพระพุทธเจ้าละชั่วทําดีทําจิตให้บริสุทธิท์ทีนี้เราจะละชั่วยังไงจะทําทําดีได้อย่างไร จะทำละกิจให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็ไม่ต้องไปค้นหาอะไรมีสูตรมีตารามีแบบมีแผนอยู่เห็นาทางที่จะดำเนินชีวิตใส่สู่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่ดังที่เคยพูด หลายครั้งหลายหนว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่มันเป็นมันเป็นวิชาเอกเป็นทางอันเอกเป็นทางหมายเลขหนึ่งเราหัดดำเนินไปลองดูเป็นทางเดินของจิตเห็นญาณของเราถ้าเราไม่หัดเดินมันก็ไม่รู้ไม่คล่อง ถเราหัดเดินอา จ, จะลู่าจะคล่องสักวันหนึ่งอาจจะเกิดความคล่องแคล่วขึ้นมาอาจจะง่ายสาหรับผู้ที่เคยผู้ใดที่ไม่เคยเดินี่เลยก็มืดแต่ด้านเวลาใดมันมีทุกข์ก็ไม่รู้จักทิศทางออกก็จนอยู่กับความทุกข์เวลาใดมันโกรธก็จนอยู่กับความโกรธจิตใจผูู้้แฝงแฝปรุงปรุงแต่ง สิ่งที่เหนือจากปู้้แฝดแฝดปรุงปรุงแต่งเราไม่เคยสัมผัสเมื่อเราไม่เคยไม่คิดไม่เคยไม่มีนิสัยไม่มีตัจใจมันก็ลบาบากเป็นคนละพับับจนไม่มีทางออกบางที่พูดคราวก่อนชีวิตของเรามันต้องมีทางออกมันเกิด มันแก่มันเ จ, นจ็บมันตายเราจะออกทางไหนมันร้อนมันหนาวมันสุกมันทุกข์เราจะออกทางไห น, น, ร น, ห น, น, นเราจะยังไง ห, หาทางออกไม่ได้ก็ถูกความแก่ความเกิดความเจ็บ ค, ความตายครอบงำย่ำยีถูกความรอ้อนความหนาวความไม่สบายกายความไม่สบายใจย่ำยีอยู่ตลอดเวลามันก็ว่าเราถูกขังถูกกักขัง เราถูกกบคขังก็ไม่มีสรภาพเ้าก็มัดมือชกได้อะไรมาก็ถูกเราหมดนั้นเราจึงหาทางออกดำเนินตามรอยพระพุทธองค์ดำเนินตามรอยรพุทธบาทพพุทธบาทก็ไม่ใช่รอย <c oughs> ที่เราเคยเห็นเคยไปกราบไปไหว้อยู่ที่ลบบุรีบ้างที่อภุดสะบาทที่คนครพนมบ้างที่ไหนที่ประบาทจำลองหลายหลแห่งเพแตะนั้นเป็นสมมติปัญญัติไม่ใช่เป็นปรมัาจารย์รญญอยพระบาทของตัวเจ้าจริงๆก็คือละชั่วทําดีทํากิจให้บริสุทธิ์หมายถึงศีลสมาธิปัญญาทรงให้ได้ผีให้ได้ ให้สะอาให้บริสุทธิ์ให้หมดจดวันหนึ่งคืนหนึ่ง อ, อาจจะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยอาจจะได้สัมผัสกับอิสละภาพในกิจวิญญาณอาจจะคุ้นเคยอาจจะชำนิชำนาญเมันมีความชำนิชำนาญต่อทางออกไปง่ายเราก็เราอยู่บ้านมีประตูอเราชํ <c oughs> นานาญในทางการเข้าออกประตูบ้านของเรา มันมีอะไรเกิดเราวิ่งออกทางประตูปลอดภัยทุกทัางทุกข่าวเพราะมีประตูออกทางกิตทางใจของเราก็เหมือนกันก็มีทางออกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราใดที่มันประสบมันเกิดขึ้นใจเราเราออกอย่างคล่องแค่วว่องไวปลอดภัยทุกทีไม่ต้องไปหัวเราะไม่ต้องไปร้องไห้ าาการพัสกาตจากของล็อกของชอบใจคนที่ไม่มีทางออกก็เป็นทุกข์คนมีทางออกก็ไม่เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเมื่อผู้ใดมีทางออกก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อไม่มีทางออกก็เป็นทุกข์เคยพูดอยู่หลายครั้งว่าประชชนคนธรรมดาเวทนาเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ Huh mm hmm. okay. like ความพ uh mm ับภากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แต่สําหรับพระพจ้าไม่ได้เป็นทุกข์ศาถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่นั้นไม่เป็นทุกข์ม um> ันมามันได้เป็นบทเรียนมันมีบทเรียนมันมีทางออกไม่จนไม่จน เวทนาเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้บรรลุธรรมที่เราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยถ้าจะพูดตามตามนิมิตเห็นกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันทำให้เราหลงผู้ใดกําหนดรู้เห็นมันเป็นกายเห็นมันเป็นเวทนาเห็นมันเป็นจิตเห็นมันเป็นธรรม เก tamam. no. ี่ยวข้องกับกายเกี่ยวข้องกับเวทนาเกี่ยวข้องกับจิตใจที่มันคิดเกี่ยวข้องกับทมถูกต้องก็จะเกิดความํำนานในเรื่องของกายในเรื่องของเวทนาในเรื่องของจิตในเรื่องของธรรมเวทนาก็ไม่ชวนให้เราหลงกายก็ไม่ชวนให้เราหลงเพิมคิดก็ไม่ได้ชวนให้เราหลงทมก็ไม่ชวนให้เราหลง เราหลงเรื่องของกายก็มีเรื่องของกายก็มีหลายอย่างเวทนาของกายก็ความปวดความเมื่อยความซ่อนความหนาวความหิวความกระหายเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเจ้าเราเราทํำยังไงกับเวทนาเนี่ยบางทีเวทนานี่ไปลงโทษเรายังไม่พอไปสร้างเกิดความวุ่นวายแก่คนอื่นพอมี เราไม่เข้าใจมันการที่จะกำหนดรูเวทนาเราต้องเห็นเวทนาเป็นศักว่าเวทนาไม่ใช่ เ, เวทนามาลงโทษต้องร้องห่ม่ร้องไห้เป็นทุกข์สวยทุกข์ไปกับมันที่มันเกิดขึ้นเราก็มีสติดูให้เห็นว่ามันเป็นคนละอันเวทนานี้มันก็เป็นธรรมเป็นสัจธรรมเราจะเราจะหนีเราจะปฏิเสธไม่ได้ เวทนาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ตอบได้ทุกขั้งทุกข่าวเวทนานั้นก็ทำอะไรให้เราไม่ได้มีแต่สนับสนุนให้เราเห็นให้เราลูกแก้งเข้าใจเวทนาโอ้นี่คือเวทนาไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขาความโกรธความทุกข์ความสุขความอะไรต่างๆนั่งโดยกายนั่งโดย จ, จิตใจ ก็บอกมันทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาไม่ต้องไปสร้างให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตบางทีโอความทุกข์ไประบายกับวัตถุสิ่งของไประบายกับผู้กับคนไปก็มีเสียเงินเสียทองไปก็มีเกี่ยวกับเวทนาไม่ถูกจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ก, ก็มีเพราะถูกเวทนาถูกกายมันหลอก กายมันก็หลอกเราเราก็ตกเป็นทาสของเรื่องของกายที่มันหลอกเราเสียเงินเสียทองมามากเรามีสติเมื <c> ่อ <oughs> เรามีสติเราก็รู้เ ร, เรื่องของกายถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเรื่องของกิจใจก็เหมือนกันเรื่องของกิจเนี่ก็มีมากมาอภาษาาธิธรรมเขา้าไปมีกิจตั้ง ร้อยแปดดวงโลภะจริตโทสกิตอกุศลจิตโลภะกิจอะไรต่างๆเมื่ อ, อกุศลกิตเกิดขึ้นเป็นยังไงเมื่ออกุศลภิกขิเกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วก็นับภิกขิที่มันปรุงมันแต่งว่าเป็นจิจจริงมันก็มีจิตตันเดียวนั่นแหละมีจิตใจอันเดียวนั่นแหละ สิ่งที่มันมาปรุงแต่งไม่ได้เรียกว่าจิตเป็นกิเลสเป็นอคตุกะมันมาปรุงมาแต่งความโกรธไม่ใช่กิตความทุกข์ไม่ใช่จิจความหลงความไม่สบายอะไรต่างๆไม่ใช่กิตจกิจแท้ๆกิจําเดิมมันเป็นปกติไม่ได้ทุกข์ไม่ได้โกรธไม่ได้เศร้าไม่ได้พิสตกกังวลอะไร เราก็จะเห็นถ้าเรามีสติถ้าเราไม่มีสติก็ไม่เห็นและถ้าเรามีสติกิตที่มันเป็นกิตเดิมๆ ม, มันก็ปรากฏขึ้นมาเพราะขณะที่เรามีสติความปรุงแต่งจะไม่มีความปรงแต่งไม่มีเมื่อความรงแต่งไม่มีก็เหมือนกับน้าที่มั น, นากาลังจะนิ่ง กำลังสองเงากําลังจะเห็นเงาเมื่หน้ามันสงบสงบมองเงาเราได้ชัดถ้าหน้ามันเกิดเพื่อมก็ไม่สามารถที่จะมองเงาได้จิตใจข้งเรากำลังกันถ้าเรามีสติก็เหมือนกับบรรยากาศเกิดความปกติลงไม่พัดน้ามันกน็นิ่งลงนิ่งลงแล้วก็มองเห็นสภาพของจิต เวลาใดที่มันลักคิดขึ้นมากโอ้มองเข้าใจโอ้นี่คือความคิดมันไม่ใช่จิตความคิดนี่มันเป็นขโมยก็มีเป็นสังขารก็ได้เป็นสมุทัยก็ได้ันตัวที่มันรักคิดเนี่ยดูให้ดีๆอย่าเพิ่งไปอหลงกับมันง่ายเกินไปอย่าหมดเนื้อหมดตัวไปกับความคิดง่ายเกินไป ลองต่อลองสักหน่อยกำหนดลู้สักหน่อยหยุดฉุกคิดขึ้นมาฉุกความลู่ขึ้นมาสักหน่อยแล้วเราเดินไปตามถนนหนทางเห็นไม้มันเหมือนกับค่ายๆางูก็ฉุกฉุกดูซะก่อนให้พิเศษสักหน่อยเอะอะไรถ้าเป็นงูก็ให้รู้ว่าเป็นงูคชะถ้าเป็นไม้ก็ให้รู้ว่าเป็นไม้ใช่ จะให้ได้คําตอบนะจะไม่ได้ข้างขาไม่สงสัยขณะที่มันรักคิดเนี่ยก็เหมือนกันลองลองฉุกสติขึ้นมาเอ๊ะนั่นอะไรพักท่วงดูพักท่วงความลักคิดตองดูอย่าให้มันเป็นอิจละความลักคิดต่องมีผู้เห็นผู้ดูมันมาทีไรท่วงทุกทีอะไร เรงตกถีมันก็แขกแปลกหน้าที่มาเยี่ยมมาบ้านเราถ้าใครมาก็รู้จำได้จำได้คนนั่นอยู่บ้านนั่นคนนี้อยู่บ้านนี้คนดีคนชั่วจะจำได้จะรู้จักคบความคิดที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจก็เหมือนกันจนได้พูดออกไปว่าโอ้ความคิดก็สักว่าความคิด ไม่ใช่สัตว์ปุคคลตัวตนเราเขาที่ไหนไม่เชื่อก็ได้ไม่ทำตามมันก็ได้บางทีมันก็หลอกเราเหลือกเกินความคิด <c oughs> คนนี้สติก็เป็นธรรมดามันก็ต้องเห็นอะไรที่มันเป็นจริงมันก็เรามีตาลืนตาขึ้นมามันก็เห็นอะไรที่เป็นจริงแต่มัหลวงพ่อนั่งอย่างนี้กำลังลืนตาดูญาติดูโยมกำลัง จำหน้าคุณตาญาติโยมกำลังจะลุ้จากชื่อจากเสียงแอบแอบฟังเขาเรียกกันไปได้ยินได้ฟังหลายข้างหลายคาบจำได้โยมคนนั่นอยู่บ้านนั่นโยมคนนี้อยู่บ้านนี้ชื่อนั่นชื่อนี้กำลังหัดกำลังเรียนอยู่พอพออกจากวัดโมกเป็นนานหลายปีสิบกว่าปีไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่ว่าก็มีเชื่อมีสายอยู่จำหน้าอยู่ พออยู่นี่ปี514 15 16สามปีก็อพอคุ้นพอเคยมีทุนบ้างเออไม่ใช่ว่าไม่มีทุนอะไรอันนี้ก็เหมือนกันเรามาหัด ส, สร้างทุนเอาไว้ฝึกฝนตนเองมีสติสมชัญญะดูกายดูใจดูธรรมดูเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นเพาะหน้าเรา ผู้ปฏิบัติผู้ที่เจริญสติเนี่ยอยา่าไปข้นขวายที่จะให้มันเกิดหลายเรื่องเรากำหนดดูกายอันเดียวพยายามหาวิธีที่จะรู้กายเห็นกายขนขวายที่จะรู้เรื่องกายเห็นกายพยายามเราจะอยู่อย่างไงเราจะทำอย่างไงจึงจะมีความรู้สึกดูกาย โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติดังที่หลวงปู่เทียนท่านสอนเราเป็นวิธีที่ซื่อตรงที่สุดไม่ต้องคล้องต้องแวะสัมผัสสัมผัสกับตัวสติโดยตรงไม่มีอะไรที่มาปิดบังลำพางสติปัญฐาเ น, นี่ยอย่างที่หลวงพ่อพูดอยู่นี่ก็ไม่ถูกนะใช่ไม่ได้ ฟังเอาคาพูดเราก็หยุดกันเลยไม่มีประโยชน์สติไม่มีที่จะมีสติได้เนี่ยไม่ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ฟังแต่การฟังก็จาเป็นเพื่อเป็นสิ่งประกอบเป็นสิ่งประกอบเมื่อทำเราก็ทำเหมือนกับคำที่พูดแต่ถ้าพูดให้ฟังแล้วไม่เอาไปทำไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าเราไปทำดูสัมผัส ด, ดูโอ้ ยกมือขึ้นรู้สึกวางมือลงรู้สึกขวมมือลงรู้สึกให้มีความรู้ไปกับกายจริงๆริงไปคิดลู้เไม่ได้เนี่ยยกมือขึ้นรู้สึกยกมือขึ้นรู้สึกเอามือมาหน้าท้องรู้สึกยกมือขึ้นมาเหนือท้องหน่อยหนึ่งรู้สึกยกออกไปรู้สึกวางลงเข่ารู้สึกขวมลงรู้สึกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวรู้แท้ๆสาเร็จประโยชน์สัมผัสกับสติ การสัมผัสกับสติไม่ใช่ฟังคิดเราก็ไม่ได้ต้องสัมผัสต้องทำต้องประกอบขึ้นมานี่าระฉะนั้ น, นี่ให้กันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้อริยทรัพย์แท้ๆนี่เอาให้กันไม่ได้รู้เอาเองรู้เอาเองเห็นเราเองเป็นของเราเองสัมผัสเราเอง ให้ทุกคนได้สัมผัสกับตัวสติมยจะวัดคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งขอให้พิเศษสงวนรักษาทรงเอาไว้ประคองเอาไว้จะให้มันหลุดมันโหลน <c oughs> สำคัญอยู่ที่การรักษา <c oughs> การหามันอาจจะง่ายแ็นเรามีทรัพย์การหาทรัพย์อาจจะง่าย การรักษาเนี่ยจะยากสักหน่อยอเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เรามีโอกาสได้สัมผัสกับสติทุกคนก็ขนขวยเอาเองจัดสรรชีวิตตัวเอาเองปิยาอาการอย่างไรจุดอ่อนของเราอยู่ที่ตรงไหน ชอบหลงอย่างไรมันรู้ในลักษณะแบบใดเป็นหลักสาคนของใครของมันเป็นความรู้ของใครของมันจัดสรรหาดูอาจจะเกิดความชนนิสัยำนานในแง่ใดมุมใดบางคนอาจจะเดินทงกลมดีกว่านั่งรู้ได้ดีบางคนอาจจะนั่งอาจจะรู้ได้ดีกว่าเดินบางคนอาจจะ เดินไวๆวเดินช้าๆแล้วแต่ก็ลองดูมันมีศิละปะของใครของมันอยู่แต่อาจจะไม่แปลกไม่เครียนไปมากอาจจะคลา้คลายคลึงกันเพราะคนเราก็มีส่วนคล้ายคึงกันอยู่ทั้งกายทั้งกิจทั้งใจเรียบบทต่างๆความร้อนความห น, นาวนั่งนานๆก็รู้สึกปวดเมื่อยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ชำนาญให้มีความชำนาญในตัวเองชำนาญในการรู้ชำนาญเห็นทางที่มันหลงแล้วก็เห็นจุดด่อนของตัวเองก็แก้ต้องแก้นะเมื่อผิดแล้วไม่แก้ไม่ได้เมื่อผิดแล้วยังทำผิดซ้ำอยู่ไม่ดีต้องแก้เกมันหลงก็เอาความไม่หลงคืนมาให้ได้ เอาความไม่หลงไปแก้มันทุกข์หัดเอาความไม่ทุกข์ไปแก้มันโกรธหัดเอาความไม่โกรธไปแก้มันหนักหัดเอาความเบาไปแก้มันเนาะมันร้อนหัดเอาความเย็นไปแก้มันมีคู่มีคู่กันอยู่อย่าไปหมดเนื้อหมดตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นที่มันมีปัญหาแจอตัวเราเนี่ยหัดแก้หัดไขหัดเปลี่ยนหัดแปลง การหัดแช่หัดไขหัดเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าภาวนาใม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาอยู่เมื่อใดที่มันคุ้นคิดขึ้นมาก็คุ้นคิดอยู่เช่นนั้นอยู่กับความคุ้นคิดเป็นนั่งหลังกดหลังออเป็นวันเป็นเท่าไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์มันคุ้นคิดขึ้นมาก็แก้เลยไม่คิดก็ได้มีสติ ลงไปความคุณคิดก็หมดไปแก้ทุกทีที่มันหลงแก้ทุกทีที่มันพิษจาเรียกว่านักปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็แก้ได้ปวดบ้านอยู่ที่บ้านก็แก้ได้ซักผ้าอยู่ที่บ้านก็แก้ได้มันเกิดอะไรที่มันพิษแก่ตรงนั้นละหัดแก้หัดไข่อยู่ตรงนั้นแก่บ่อยๆมันก็เกิดเป็นศินละปะขึ้นมาแล้วว่านี้ ง่ายแล้วยง่ายที่จะไม่ทุกข์เลยง่ายที่จะไม่โกรธง่ายที่จะไม่วิตกกังวลแล้วยข้องในทางนี้เพราะมันหัดออกหัดหลุดหัดพ้นได้ง่ายที่สุดถ้าไม่หัดมันก็ไม่เป็นกนหลอกมันก็ดุก็ไล่โสสะจริตปางพุทธจริตปางราคะจริตปางบางทีก็จําเป็นจําเป็น คนติดปุรีก็จำเป็นจาเป็นคนติดล่าก็โอ้ยจำเป็นจาเป็นอขอเงินไม่ได้งได้ผ่านหนังสือพิมพ์ขอเงินเมียไปซื้อเล่าไม่ได้จูงควายออกไปขายเมียวิ่งไล่เอาควายขึ้นมาหัวโกรธเอามีดแทงเมียตายเพราะจะเอา ายไปขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินนันหลงนันหลงมากมากจนลืมอะไรทั้งหมดมเคยมีคนติดบุหรี่หลวงพ่อไปสอนเขาเขาเลิกบุดรีได้เขาไปเห็นโทษขณะที่เขาสูบเขาไปไถนาตอนเช้าเขาลืมห อ, อยาไปสูบปริเมียไปส่งข้าวเขาก็ถามเมียเขาว่าเอาหอยยาม่ให้หรือเปล่า ภรรยาเขาก็พูดใครจะมาให้ของใครใครเอามาทุกวันใครจะามาให้ก็ด้วยความหิวด้วยความอกระหายเรื่องยาสุบเขโกรธจะยินเมียเพระฉะน้นโกรธเมียเตะเมีย ต, ตกอ่านาตกก็ต๊อบนาไปเลยเมียล่องให้เข้าบ้าน พอเขามาเลิกสูบบุหรี่ได้เขามาคิดถึงโทษถึงภัยมันเขาสารภาพเขารักเมียเขาเพราะเขาทำผิดเขาเตะเมียเขาเพราะเขาหิวบุหรี่พอมันเลิกได้เราก็โอ้ยเห็นโทษเห็นภัย เ, เกิดรักเมียมากที่สุดสื่อเสื้อชื่อผ้ามาให้นุ่งมาให้ห่มเพราะเห็นโทษเห็นภัยที่เรามันหลง เพราะฉะนั้นถ้าเราหลงมันไม่มองเห็นอะไรถ้าเราไม่หลงก็มองเห็นอะไรคนโกรธคือคนหลงนะคนทุกข์ก็คือคนหลง <c oughs> คนวิตกกังวลก็คือคนหลงถ้าไม่หลงมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่เรามองเราอย่างนั้นนะหลวงพ่อจะให้แผนที่เอาไว้ <c oughs> ถ้าเวลาใดเรากโกรธแสดงว่าเราหลงแนว้วก็หาทางซะหาลูกหาทางออก จากมันซะอย่าไปให้ความโกรธครอบงำย่ายีอยู่ที่นั่นมันออกได้อยู่อย่าไปถืออย่าให้มันนอนด้วยอยู่ข้ามวันข้ามคืนควอมโกรธพยายามออกไปซะออกนี้ให้ได้ไอ้นี่มันหลงแต่ไม่หลงมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกพยายามชวนตัวเองพยายามย่อย ทำไม่วิจยยแยกย่อยลองดูถ้าเพิ่งไปรับมันง่ายๆถ้าไปทําตามมันง่ายๆเราทาอย่างนี้ก็ดีดกว่าเรามาสร้างบารมีเลาได้มันโกรธเอาความไม่โกรธไปใส่มีบารมีขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นทานบารมีก็ได้ จ, จะเป็นศีลบารมีเป็นขันติบารมีเป็นอธิษฐานบารมีเป็นสัจจะบารมีก็ได้ สรางทุกทีแก้ทุกทีอย่าไปจำนวนอย่าไปปล่อยปะละเลยให้โอกาสเขาเต็มที่เต็มตัวมารู้จักปกป้องมารู้จักคุ้มครองมารู้จักสิทธิทางกิจวิญญาณของเราอะไรจะให้เขาไปทั้งหมดถ้าจะพูดเราก็เป็นวิญญาณเป็นวิญญาณซ้าซอนส้ำสอด โกรก็เอาทุกข์ก็เอาอะไรก็เอาไม่ใช่เรามาฝึกฝนตนเองมีสติมีสมญญาัญยะทำอย่างไงเราจะมีสติอย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่าไปชวนกันสิ่งที่ทำให้หลงลืมสติช่วยกันอยู่ร่วมกันหลายๆคนก่ประครับประคองสิ่งใดที่ทาให้หลงเพื่อนเราหลงก็ชวนให้รู้ ถ้าเราหลงก็พยายามช่วยตัวเราช่วยตัวเราบ้างช่วยคนอื่นบ้างเรารู้นะคนไหนที่หลงอชวนพูดชวนคุยหักห้ามสร้างสิ่งแวดล้อมให้กันและกันเนี่ยมันจะมันกว่าเป็นมิตรเป็นกัญญาณมิตรถ้าเป็นกัญญาณมิตรนี่กัญญาณมิตรนี่นําไปถึงมักถึงผลได้นะถ้าสังคมใดชุมชนใดเป็นกัญญาณมิตรกันจริงๆ สังคมนั่นชุมชนนั่นจะเกิดเป็นพระรีเจ้าขึ้นมาอย่างตระกูลนาถาพินิจกสรทธิ์ีตระกูลนางวิสาขะเนี่ยก็เป็นตระกูลของพระรีเจ้าเกิดขึ้นได้เพราะมีแต่ความสงบล่มเย็นสิ่งแวดล้อมที่ดีอันวัดโมก็เราก็พยายามจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้ดี จนท่านได้เขียนระเบียบอะไรต่างๆเอาไว้ก็เพื่อจะช่วยพวกเราอยากไปหาว่าบังคับอยากไปหาว่ า, าไม่มีความเป็นธรรมไม่มีอิสระอย่ไปคิดอย่างนั้นระเบียบต่างๆที่เราแม้แต่ศีลอย่างที่เราสมท า, านเนี่ยก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราก้าวถึงมรรคถึงผลได้ง่ายอาศัยศีลนี่แหละ เอาใส่ระเบียบเอาใส่แบบอาใส่พิธีเนี่ยแม้แต่พิธีที่เราเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวนะก็เป็นวิธีที่ช่วยเราเหมือนกับมีมิดเครื่องไม้เป้าไม้ให้เร า, กาเรากาะให้เราจับเหมือนกับที่เกาะที่จับเด็กหัดเดินใหม่ๆมีราวมีที่เกาะไปเดินไปเอาไปมา ก, กับวางเลยเลยนั่นละเบียบปินัยต่างๆ ฟังดูดีๆคำว่าวิในเนี่ยระเบียบวินัยเนี่ยก็คือวิก็คือวิเศษนัยยะก็คือนำไปนำไปสู่ความวิเศษสู่ความดีมันระเบียบต่างๆอย่าไปถือว่าโอ้ บ, บังคับอย่าไปถือว่าไม่ในอิสระสมม ต, ต้องธรรมะเวลาเท่มมาทมมนั้นต้องธรรมชาธรรมะเยนต้องไม่บอก ใจฉันกาถาไม่บอกเล่บบอกหวยไม่สุบุรีเพะป้องกันเพื่อนที่จะหลง